เรื่องถุงหนึ่งเรื่อง144สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบถุงวางไว้บนตังคิดว่าหากหยิบไปจากตังจะเป็นปาราชิกจึงยกเอาไปพร้อมทั้งตังแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตปาราชิกวงเล็บเรื่องที่ห้